สวัสดีคุณผู้ฟังพราเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บีเองมีเรื่องเล่ามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเผื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยใครที่ไม่เคยได้ฟังในรายการเดอะช็อคนะคะบี B. เองก็ขออนุญาตถอดเอาเนื้อความของเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องของคุณเสกค่ะบอกว่าไปเจอเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวที่จังหวัดอุดรเนีนะคะเป็นไร่อ้อย ทางภาคอีสานนี่แหละเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณเสกค่ะซึ่งคุณเสกเนี่ยทำอาชีพขับรถขนส่งวันที่เกิดเรื่องเนี่ยคุณเสกบอกว่าได้เอาของไปลงที่เวียงจันทร์แล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยได้ข้ามฝั่งกลับมาที่ฝั่งไทยในช่วงประมาณเดือนธันวาคมปี 2.556 นะคะซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กำลังตัดอ้อยกัน ทางบริษัทเนี่ยสั่งให้ไปขึ้นน้ำตาลที่อำเภออาเภอนึงในเขตจังหวัดกาลสินคุณเสกเองก็ไปกับภรรยาสองคนค่ะแล้วก็ไปถึงที่หมายก่อนเวลากําหนดก็เลยได้ไปนอนรอขึ้นน้ำตาลกว่าจะเสร็จก็ประมาณตีหนึ่งแล้วนะคะซึ่งภรรยาเนี่ยถามว่าจะนอนต่อไหมจะไปตอนเช้าหรือว่าจะไปตอนนี้เลยคุณเสกก็เลยตอบไปว่ายังไงก็ได้เพราะว่าได้นอนบ้างแล้ว คุณเสกคิดอยู่ครู่หนึ่งค่ะก็เลยบอกภรรยาไปอะงั้นเดี๋ยววิ่งออกไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านช้าคุณเสกก็เลยขับรถออกมาจากจุดขึ้นน้ําตาลพอหลุดออกจากหมู่บ้านตรงนั้นเนีคะกำลังจะเข้าเขต จ, จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นช่วงต่อระหว่างหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง ระยะทางประมาณ 6-7 กิโลเมตรค่ะตามข้างทางเนี่ยก็จะมีแต่ป่าอ้อยแล้วก็ดงมันเต้มไปหมดเลยพอขับผ่านดงดงอ้อยเนี่ยค่ะคุณเสกก็เลยรู้สึกง่วงขึ้นมาค่ะง่วงชนิดที่ว่าจะหลับให้ได้ขับมาหน่อยนึงคุณเสกก็หันไปเห็นทางแยกข้างหน้าเป็นเหมือนทางแยกลงไปที่ไหนสักแห่งหนึงแล้วก็มีเวิร์กช่องว่างพอที่จะให้รถเนี่ยจอดหลบข้างทางได้คุณเสกเองก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปจอด โดยพยายามที่จะเอารถเนี่ยหลบออกห่างจากถนนภรรยาก็เลยถามคุณเสกค่ะว่าจะนอนตรงนี้เลยเหรอคุณเสกตอบว่าโอยไม่ไหวละของีบสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันซึ่งปกติเวลานอนเนี่ยคุณเสกจะยกผ้าม่านขึ้นมาปิดหน้ารถนะคะแล้วก็หน้าต่างรถข้างรถเนี่ย ทั้งหมดเลยแต่ว่าวันนั้นเกิดง่วงค่ะจอดรถได้ดับเครื่องยนต์ปิดไฟแล้วก็หลับเลยมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนภรยาปลุกได้ยินเสียงภรรยาเนี่ยตะโกนลั่นเหมือนกับตกใจเหมือนกับกลัวซึ่งภรรยาบอกว่าตอนที่คุณเสกหลับไปค่ะประมาณ30นาทีได้แต่ว่าภรร ย, ยายังไม่หลับนะได้ยินเสียงหญ้าข้างทางนี่มันแหวกออกเหมือนมีคนเดินภรรยาก็เลยชะโงกหน้าออกไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะ เพราะว่าข้างนอกนี่มันมืดมากค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเดินรอบคันรถเลยเดินไปเดินมาอยู่รอบๆบรถค่ะทีนี้ภรรยาคุณเสกก็เริ่มจะใจคอไม่ดีแล้วละ่ะมองเห็นเป็นลางๆเพราะว่าเห็นเป็นผู้ชายสองคนตกใจรีบปลุกสามีภรรยายังบอกอีกว่าตอนนี้สองคนนั้นเนี่ยมันปีนรถเราขึ้นมาคุณเสกเห็นแบบนั้นก็เลยตกใจเลยมองไปข้างหน้านะคะซึ่งเป็นหน้าต่างข้างๆเนี่ยนะคะก็เห็นขาคน ปีนบันไดข้างรถแล้วก็ขึ้นไปบนหัวรถจริงๆค่ะรถ10ล้อนี่มันจะมีบันไดติดอยู่ด้านข้างใกล้ๆกันกับประตูด้านคนค่ะใช่ไหมคะคุณเสกเองเห็นแบบนั้นแล้วก็เลยตกใจคิดว่าเป็นโจรรีบสตาร์ทเครื่องทันทีพอเปิดไฟหน้ารถได้ก็เลยขับรถออกไปเพราะว่าณนะตอนนั้นอยู่กลางป่าไม่สามารถที่จะเปิดประตูออกไปดูได้แล้วก็ภรรยานี่ยังบอกอีกว่าฮะว่าสองคนนั้นมันยังอยู่บนหลังคารถเลยนะพี่ คุณเสกก็รีบขับรถออกมาจากตรงนั้นค่ะจนไปถึงตัวอำเภอวังสามหมอก็เริ่มมีบ้านคนบ้างละขับไปอีกหน่อยนึงก็เจอป้อมตำรวจคุณเสกก็เลยจอดรถแต่ไม่กล้าเปิดประตูลงไปดูก็เลยแง้มกระจกแล้วก็ส่องขึ้นไปแต่ว่าไม่มีอะไรค่ะสักพักหนึ่งคุณเสกเห็นตำรวจอยู่ในป้อมก็เลยเปิดประตูแล้วก็วิ่งลงไปข้างล่าง หันกลับมามองก็ไม่เจอใครอยู่ด้านบนหลังคารถคุณเสกก็เลยลองเดินสำรวจรอบรอบรถแต่ก็ไม่เจออะไรเนี่ยะได้แต่คิดในใจว่าสองคนนั่นคงกระโดดหนีลงไปตั้งนานแล้วละ่ะคุณเสกเองก็เลยกลับเข้ามาในรถแล้วก็ขับออกไปนอนที่ปั๊มน้ำมันคิดว่ายังไงตอนเช้าเนี่ยค่อยเดินทางต่อก็แล้วกันหลังจากวันนั้นเหตุการณ์ก็ปกตินี่ะจนคุณเถอคุณเสกเองเนี่ยแทบจะลืมมันไปแล้วแต่ อยู่มาวันนึงค่ะคุณเสกเองเนี่ยเอาของไปลงในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าครั้งนี้เดินทางมาคนเดียวนะพอลงของเสร็จบริษัทก็โทรมาบอกว่าให้ไปขึ้นมาอยู่คาที่อำเภออำเภอนึงซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอสีชมพูกับอำเภอสีบุญเรืองก็คือจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดหนองบัวลําพูนี่นแหละค่ะคุณเสกบอกกับทางบริษัทว่านี่มันก็บ่ายแล้วนะน่าจะไปถึงประมาณสักสี่โมงเย็นเขาจะให้ขึ้นหรอ ทางบริษัทบอกว่าเขารอให้ขึ้นอยู่ให้รีบไปเลยคุณเสกก็เลยออกรถไปทันทีค่ะจุดหมายที่ไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นไร่ป่ายูคาทั้งสองข้างทางตัวไร่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสองกิโลเมตรได้คุณเสกก็เลยนำรถเนี่ยวิ่งเข้าไปในไร่ทางเข้าไร่นี่ฮะจะเป็นถนนแบบทางเกวียนพอไปถึงที่หมายค่ะประมาณสัก4ี่มงเย็นเขาก็นาไม้ขึ้นรถให้ จนเวลาประมาณ6กโมงเย็นก็ยังขึ้นไม่เสร็จสักทีไม่พอนะคะต้องรอพรุ่งนี้อีกด้วยเพราะว่าไม้นี่มันหมดก่อนคุณเสกก็เลยบอกนะคะว่าและคืนนี้ผมจะนอนที่ไหนละ่ะคนงานบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปนอนในหมู่บ้านกับพวกเขาก็ได้คุณเสกก็เลยถามกลับไปบอกว่าแ ล, วแล้วรถผมล่ะจะเอาไปไว้ที่ไหนคนงานบอกว่าจอดไว้ที่นี่ก็ได้ไม่มีอะไรหรอกพี่แต่คุณเสกเนี่ยเป็นคนที่ห่วงรถค่ะก็เลยบอกออกไปพี่มานอนเป็นเพื่อนผมไม่ได้หรอ แต่ไม่มีใครอาสามานอนด้วยสักคนเลยค่ะคุณผู้ฟังสุดท้ายแล้วคุณเสกเองก็เลยต้องตัดสินใจนอนในรถคนเดียวจนตอนนั้นนะคะเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มค่ะคือมันมืดมากคุณเสกเองก็ลงไปปัสสาวะแล้วก็รีบขึ้นมานอนปิดผ้าม่านรอบรถเปิดพัดลมแล้วก็หลับไปวันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนนะคะอยู่ๆคุณเสกเองก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งรู้สึกเหมือนกับมีคนเนี่ยมาขย่มรถ ลักษณะเหมือนมีคนเดินขึ้นแล้วก็มีเสียงดังตุ๊บนะคะเหมือนมีคนขึ้นรถเสร็จแล้ว ก, ก็กระโดดลงจากรถทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วก็หายไปทีนี้มันก็ทําให้คุณเสกเนี่ยตาสว่างขึ้นมาทันทีคุณเสกก็เลยเอาผ้าห่มมาคลุมโปงค่ะแล้วก็ปิดพัดลมเพื่อที่จะไม่ให้มันมีเสียง มันก็ยิ่งทำให้บรรยากาศ น, ะนั้นเงียบมากขึ้นกว่าเดิมจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงของมแมลงที่อยู่ในป่านะคะสักพักหนึ่งคุณเสกก็เปิดโทรศัพท์มาดูนาฬิกาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณตีสามกว่าแล้วค่ะลักษณะเหมือนมีคนเป็นแบบเดิมคือเดินรอบคันรถ สักพักหนึ่งก็มาหยุดเดินอยู่ที่หน้ารถแล้วก็มีเสียงผู้ชายคุยกันค่ะซึ่งจับใจความไม่ได้ทีนี้คุณเสกก็เลยเริ่มนึกไปถึงเรื่องเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ไปประสบมาในไร่อ้อยตอนนั้นคุณเสกทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่ในป่าคนเดียวได้แต่ฝืนนอนแต่ก็นอนไม่หลับนะคะเสียงคุยกันก็ยังคงดังต่อเนื่องค่ะแต่ว่าจับใจความไม่ได้เหมือนกันจนกระทั่งคุณเสกได้ยินเสียงนกนี่มันกระพือปีกดังพรึบๆึบนะคะ คุณเสกเริ่มจับใจความเสียงที่คุยกันอยู่นอกรถได้นะฮะว่ากินไหมไม่ได้กินมานานละพอได้ยินแบบนั้นคุณเสกคิดในใจเลยว่ายังไงก็ไม่ใช่คนแน่นอนได้แต่นอนตัวสั่นคุม้มโปงน้ำตาไหลยอยู่ในรถแต่ก็นอนไม่หลับนะคะเพราะว่าเสียงคนเนี่ยเดินอยู่รอบรถตลอดเวลาจนคุณเสกเนี่ยหลับไปตอนไหนก็ไม่ทราบได้ ตื่นมาอีกทีหนึง่ง7โมงเช้าแล้วนะคะเพราะว่าคนขึ้นไม้มาเรียกคุณเสกะว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่เล่าให้ใครฟังแต่มันก็อดใจไม่ได้ก็เลยต้องเล่าให้คนอื่นฟังคนขึ้นไม้บอกว่าทีแรกพวกเขาก็มาตั้งแคมป์ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่มารับจ้างตัดไม้เฉยๆก็เจอแบบคุณเสกเจอเหมือนกันนี่แหละเขาบอกว่าเขามากันสิบคนมาตั้งแคมป์ทำงานตัดไม้พอกำลังดึกปวดปัสสาวะเดินมาปลดทุกข์เขาก็จอ ในลักษณะเงาคนนี่เดินไปเดินมาในป่าเวลาคืนเดินหงายมันยังพอมีแสงให้มองเห็นได้บ้าง พอคุณเสกได้ฟังแบบนั้นก็รีบขึ้นไม้แล้วก็รีบขับรถเข้าบริษัททันทีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องคุณเสกที่เคยเล่าเอาไว้ในารายการเดอะช็อกนะคะทางสถานีวิทยุ101 R1 Radio Report One นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเดอะช็อกได้ ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะ่คะจนถึงเวลาประมาณตีสามนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เรานามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกค่ะเรื่องเล่าต่อมาเป็นเรื่องของคุณนัชพล น, นะคะเป็นเรื่องข้างๆมหาวิทยาลัยรงังสิตนี่แหละมันจะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าเกือบร้างละคะ่ะ คืนนั้นเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของผมเลยเขาว่าแบบนี้แล้วก็ไม่มีวันลืมแน่นอนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามทาั้งๆที่ไม่อยากจะนึกถึงมันเลยแม้แต่นิดเดียว คือที่บ้านของคุณนัชพลเนี่ยนะคะเป็นบ้านอยู่แถวพระรามสามเขตยานนาวาค่ะซึ่งพ่อกับแม่คุณนัชพลเองก็ชอบพูดชมของคุณคุณนัชพลเนี่ยให้คนอื่นฟังอยู่เสมอว่าเป็นเด็กเอาทานได้เรื่องได้ราวนิสัยดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่แลคะค่ะถ้าหากว่าลูกทําตัวดีประพฤติดีนะคะพ่อแม่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีหน้ามีตาทางสังคมอะไรประมาณนี้ ะะทีนี้เนี่ยคุณนัชพลเองเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยที่รามคำแหงแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าลูกเสือหัวหน้าห้องพอเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ปีสองก็เป็นหัวหน้าชมรมแถมยังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะและนี่คือที่มาของเรื่องสยองในคืนนั้นค่ะลุงวีระเพื่อนของคุณพ่อคุณ น, นัชพลแกได้อยากได้คนไปนอนเฝ้าบ้านให้แกหนึ่งคืนเพราะว่าแกเองจะต้องไปทาธุระกับป้าน้อยที่ต่างจังหวัด ที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีใครเลยแกอยู่กันแค่สองคนตายายค่ะลูกๆของแกพอแต่งงานก็แยกย้ายกันไปที่อื่นหมดพ่อกับแม่ของคุณนัชพลก็เลยเสนอกับลุงวีระว่าอ่ะเดี๋ยวให้ลูกไปนอนเฝ้าให้ก็ได้ไอ้ตัวของคุณณัชพลเองเนี่ยก็คิดว่าเออเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรบ้านลุงวีระอยู่รังสิตแถมใกล้วิทยาลัยที่เรียนอยู่ด้วยไม่ลาบากหรอกแค่นี้เอง ก็เลยตบปากรับคำลุงวีระไปนะฮะบอกว่าจะไปเฝ้าบ้านให้วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ก, ก็แล้วกันพอรุ่งขึ้นวันจันทร์ก็จะไปเรียนแล้วลุงวีระกลับมาราวๆช่วงบ่ายแล้วทุกอย่างมันก็ลงล็อกพอดิบพอดีไม่มีปัญหาค่ะจนเช้าตรู่ของวันอาทิตย์คุณนัจพลเองเนี่ย ายเปไปบ้านลุงวีระแล้วก็ได้พบกันก่อนที่แกจะออกเดินทางป้าน้อยก็จัดห้องให้นอนที่ชั้นบนเป็นห้องนอนเดิมของลูกสาวคนโตของแกนั่นเองป้าน้อยแกก็เตรียมของกินใส่ตู้เย็นไว้ให้เพียบเลยส่วนคุณลุงเนี่ยแกบอกว่าให้ทําตัวตามสบายนะทีวีเครื่องเสียงคอมพิวเตอร์คือทุกอย่างเล่นได้หมดบ้านนี้ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะักเพราะว่าเป็นหมู่บ้านแต่แปลกนะคะที่บ้านาข้างๆรอบๆนั้นเนี่ยไม่มีใครอาศัยอยู่เลย คือมันปิดไว้เฉยๆบ้างหลังนะะี่ะมีป้ายประกาศขายบ้างก็มีประกาศให้เช่าก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็เป็นได้นะะี่ะคุณลุงแกก็เลยต้องหาคนมาเฝ้าบ้านเพราะว่ามันดูเปลี่ยวเอาการเหมือนกันขโมยขจรคงชุมหน้าดูทีนี้พอป้ากับลุงแกจัดแจงที่พักเรื่องของกินให้คุณนัชพลเสร็จเรียบร้อยแกก็ออกเดินทางไปทําธุระของแกละค่ะแล้วก็ปล่อยให้คุณนัชพลเนี่ยอยู่ลําพังไอ้ตอนกลางวันน่ะมันไม่เท่าไรหรอก พอตอนกลางคืนนะสิฮะคุณผู้ฟังมันดูวังเวงวิเวกวิหวงเวง่งยังไงก็ไม่รู้มันต่าง ก, กันกับตอนกลางวันมากซึ่งตอนกลางวันเนี่ยเขาก็เอาเนื้อออกมาย่างกับเตาอเนกประสงค์กินคนเดียวอ ร, อร่อยเลยที่เดียวเชื่อแหละแล้วก็เอางานที่อาจารย์สั่งเป็นกันบ้านโดยใช้เน็ตคุณลุงพอตกกลางคืนค่ะกลายเป็นคนละเรื่องเลยรู้สึกว่าบรรยากาศที่อบอุ่นน่าสบายจางหายไปพร้อมกับแสงพระอาทิตย์ แล้วแวะบ้านลุงวีระนี่มันวังเวงเหมือนในโลกร้างไม่มีผิดนะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนขนลุกเป็นในๆแถมงานนี้ยังไม่เสร็จด้วยก็ต้องค้นคว้าเน็ตต่อไปอย่างไม่มีสมาธิสักพักหนึ่งก็รู้สึกหิวก็เลยลุกขึ้นไปหาข้าวกินมองนาฬิกาดูตอนนั้นก็ประมาณสักทุ่มเศษ สักประมาณสองทุ่มกว่าก็ได้ยินเสียงแปลกๆค่ะเหมือนมีคนจำนวนมากเลยคุยกันอยู่บ้านดังข้างเขาก็เลยเดินไปแง้ม้านดูก็ไม่เห็นมีอะไรรอบตัวมีแต่ความมืดจะสว่างก็เฉพาะแสงไฟถนนเท่านั้นก็เลยสงสัยว่าเออเสียงพวกนี้มันมาจากตรงไหนกันเออแต่ช่างเถอะก็อยากทำงานให้เสร็จเร็วๆอะเนาะจะได้รีบเข้านอนแต่พอยิ่งดึกค่ะ มันก็ยิ่งให้ความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันวุ่นวายอยู่รอบๆตัวบางทีก็เหมือนมีใครมายืนมองอยู่นอกหน้าต่างซึ่งตอนแรกก็ยังผาวาอยู่นะก็นึกว่าขโมยเนี่ยมันคงดอดเข้ามากระมังตอนนั้นก็ชักกลัวแล้วละ่ะแต่ว่ายังคงนั่งหางานในเน็ตต่อไปนะคะสักเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งทีนี้ไม่ได้ยินเสียงคนคุยเลยสิแต่ว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมาจากข้างบ้านคุณนัชพลค่ะ ด้วยความอยากรู้ก็เลยเดินไปดูพบว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมืดตึ๊ดเลยนะคะเหมือนเหมือนไม่มีคนอยู่เหมือนเป็นป่าเหมือนเป็นอะไรแต่สิ่งที่ทำให้เขาเห็นเนี่ยมันยิ่งประหลาดใจกว่านั้นขณะที่กำลังจะหันหลังกลับมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านที่มืดๆนั่นแหละคือไม่ได้ออกมาจากประตูรั้วนะออกมายืนอยู่ที่ระเบียงชั้นสองพอดีพอดีเลยใส่เสื้อกล้ามเทว ไฟถนนเนี่ยส่องให้เห็นอายุน่าจะราวสัก40กว่าร่างท้วมผมบางเขาก็ยืนเหมรลอยถอนหายใจแล้วก็หันหน้ามองมาทางคุณนัชพล น, นะคะด้วยท่าทางที่ประมา ณ, มาณว่ า, อามองมาเหมือนกับเห็นคุณนัชพลมองเขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็โบกไม้โบกมือให้ด้วยนะแถมคุณนัชพลเองเนี่ยยังโบกมือตอบแบบใจลอยยังไงก็ไม่รู้เหมือนถูกสะกดใจไว้อย่างงั้นเลย จากนั้นค่ะก็ไม่มีสมาธิทํางานแล้วละ่ะก็เลยรีบเข้านอนปิดม่านปิดหน้าต่างให้หมดเปิดแอร์เปิดไฟหัวเตียงไว้รู้สึกหนาวเย็นยะเยือกยังไงบอกไม่ถูกสักพักหนึ่งค่ะก็ได้ยินเสียงผู้ชายเนี่ยร้องไห้จากบ้านาข้างๆเป็นเสียงที่น่ากลัวน่าขนลุกยังไงก็ไม่รู้แถมคืนนั้นยังฝันร้ายอีกด้วยฝันเห็นพูดผีปีศาจเยอะแย ะ, ยะมากมายไปหมดจนสะดุง้งตกใจตื่น ะะทีนี้ก็หลับๆตื่นๆสะดุ้งผาวาไปทั้งคืนเลยพอรุ่งขึ้นไปมหาวิทยาลัยเพื่อนๆก็เลยถามว่าทำไมขอบตาดำเป็นหมีแพนด้าเลยก็เลยเล่าสิ่งที่ได้ประสบพบเจอมาให้เพื่อนฟังไม่น่าเชื่อเลยนะคะมีรุ่นน้องคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มนี่แหละพูดถึงชื่อหมู่บ้านขึ้นมาคุณนา่าจะพนเองก็เลยรีบบอกไปเลยว่าใช่หมู่บ้านนี้แหละแล้วรุ่นน้องก็เลยเล่า ว, ว่าเขาอยู่หมู่บ้านนี้เหมือนกันเมื่อหลายเดือนก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีบ้านหลังหนึ่งมันจัดงานเลี้ยงกันแต่ว่าพอตกหัวขํามเนี่ยเจ้าของบ้านทะเลาะ ก, กันกับเมียแล้วผู้ชายเนี่ยผูกคอตายในกลางดึกคืนนั่นเองตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านในหมู่บ้านเจอกันทุกคืนมาในสภาพที่ผิดแปลกบ้างบางทีก็มานั่งห้อยขาอยู่บนหลังคาบ้านตัวเอง หนักสุดเลยก็คือมีคนเห็นประตูกลางบนชั้นสองเนี่ยเปิดออกอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นก็โชว์ผูกคอให้เห็นแบบจะจะแถมยังหันหน้ามาแลบลิ้นปิ้นตาใส่คนที่มองเห็นอีกด้วยนะพอเพื่อนบ้านหลายคนเจอแบบนี้เข้าแถมนับวันยิ่งเจอหนักขึ้นเรื่อยๆเนยคะ่ะหลายบ้านนี่ถึงกับย้ายหนีกันเลยทีเดียวบางบ้านก็ติดป้ายว่าขายบ้างบางบ้านก็ติดป้ายให้เช่าบ้าง ยิ่งบ้านที่ติดป้ายว่าขายเนี่ยแทบจะขายไม่ได้เลยแต่ว่าบ้านที่ติดป้ายให้เช่าเนี่ยก็พอมีนักศึกษามาเช่าอยู่บ้างแต่ก็อยู่ได้ไม่นานหรอกนะคะก็ต้องออกไปพอรุ่นน้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังค่ะเขาถึงกับบางอ้อกันเลยทีเดียวเข่าซันตัวอ่อนเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคงไม่ใช่คนแล้วละ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านมันก็ถูกปิดมืดสนิทดูๆแล้วยังไงก็ไม่น่าจะมีคนอยู่สักคนอแล้วผู้ชาย ที่มายืนโบกมือให้เมื่อคืนแล้วก็เสียงร้องไห้มันคือผีแน่นอนเลยนะคะทุกวันนี้ตัวของคุณนัชพลเองเนี่ยก็ยังมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าลุงวีระขอให้ไปเฝ้าบ้านอีกเนี่ยเห็นทีจะต้องปฏิเสธไปแล้วละ่ะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเล่นเอาสักเข็ตขยดจริงๆเลยนะคะขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณนัชพลด้วยนะคะเป็นเรื่องผีค่ะ ไปเฝ้าบ้านให้ลุงลุงไม่อยู่ลุงกับป้าไปต่างจังหวัดเจอผีเลยดีนะไม่โชว์ผูกคอให้เห็นเนี่ยเพียงแค่มายืนโบกไม้โบกมือให้ดูแค่นั้นเองนะคะมีเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่บีจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องของคุณก้อยค่ะคุณก้อยบอกว่าเคยไปนอนเฝ้าน้องสาวที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆที่ตําบลพระบาทเพราะว่าสามีเขาต้องไปธุระที่ต่างจังหวัดคุณก้อยเองก็เป็นห่วงน้องสาวที่ต้องนอนอยู่กับลูกเพียงแค่2คนค่ะก็เลยอาสาไปนอนเป็นเพื่อน บ้านของน้องสาวเนี่ยก็จะเป็นห้องแถวติดกันสิบกว่าห้องมีคนอยู่เยอะดีคึกคักดีเจ้าตัวเล็กก็เลี้ยงง่ายกินแล้วก็นอนไม่ค่อยงองแง่พอมานอนคืนแรกก็หลับสบายดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคืนที่สองนี่สิเริ่มเจออะไรแปลกๆคุณก้อยตื่นขึ้นมาช่วงเวลาประมาณเกือบตี3ค่ะตื่นเพราะว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยร้องกินนมพอนมแม่เข้าปากก็เงียบได้เหมือนกดสวิตช์ปิดได้เลย คุณก้อยก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ตอนเดินกลับมาค่ะมองออกไปทางหน้าต่างเห็นเหมือนเงาคนเลือนรางเดินอยู่แถวหน้าประตูบ้านลักษณะเหมือนคนแก่ที่เกล้าผมมวยอยู่ข้างหลังเดินหลังค่อมๆนิดหนึ่งแต่พอคุณก้อยแหวกผ้าม่านออกดูก็ไม่มีใครสักคนนึงนะคะน้องสาวยังพูดเลยบอกเออตาฝาดหรือเปล่าพี่เพราะว่าแถวนี้เนี่ยมีแต่คนวัยทํางานไม่มีคนแก่เลยมีหนำซ้ำตี3คนบ้าที่ไหนจะมาเดินไปเดินมา พอคืนที่3คุณก้อยบอกมาเต็มๆเลยค่ะกำลังนอนหลับโดยนอนตะแคงข้างหันหน้ามาทางหลานก็ได้ยินเสียงหลานนอนหัวเราเอิก๊กอักเอิ๊กอักเสียงกำไลข้อมือดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไปหมด พอรู้สึกตัวตื่นก็เลยค่อยๆลืมตา ม, มาดูว่าเอ๊เจ้าตัวเล็กนี่มันนอนเล่นกับใครถึงได้หัวเราะเสีงสยงใสดังขนาดนี้แล้วพอมองเห็นเท่านั้นแหละค่ะหัวใจแทบวายขุณก้อยบอกยายแก่ผมงอกขาวเกล้าวมวยผมไว้ข้างหลังใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกมีผ้าสบายผ้ า, บ, าบ่านุ่งโจงกระเบนกําลังยืนสองมือไเพ่หลังหยอกเล่นอยู่กับหลานฉันอย่างมีความสุขขุณก้อยนอนใจสั่นเต้นระทึกไม่กล้ามแม้แต่จะขยับตัวได้แต่นอนแข็งทื่ออยู่แบบนั้น โดยมั่นใจแล้วล่ะว่าไม่ใช่คนอย่างแน่นอนจนอึดใจใหญ่ค่ะยายแก่คนนั้นเนี่ยก็เลยเอ่ยลาเจ้าตัวเล็กทวดไปแล้วนะคนดีหิวแล้วละสิเดี๋ยวแม่เองก็จะตื่นมาให้นมแล้วเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายๆพูดจบหายแวบไปต่อหน้าต่อตาทันทีพอยายแก่นั้นหายไปเจ้าตัวเล็กก็แหกปากร้องขึ้นมาทันทีค่ะเรียกให้น้องสาวเนี่ยตื่นขึ้นมาอุ้มออกไปกินนมน้องสาวเห็นนอนนิ่งตาค้างก็เลยเรียกอ่ะดึกแล้วทําไมไม่นอน ก็เลยเล่าให้น้องสาวฟังบอกว่าก่อนที่น้องสาวจะตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นอะไรฝ่ายน้องสาวก็ดีเหลือหลายหัวเราะใส่ก่อนจะเล่าให้ฟังบอกเออเป็นผีบ้านผีเรือนเข้ามาช่วยเลี้ยงบางทีก็มากลางวันมาให้เห็นกันจัะจะเลยเจอใหม่ๆก็แทบช็อกตายเหมือนกันแต่พอตอนนี้เริ่มชินละเคยไปถามพระท่านก็บอกเข้ามาดีเข้ามาช่วยเลี้ยงจะกลัวทาไมดีซะอีก มีเขามาช่วยคุ้มครองให้ลูกเราอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่เรามองไม่เห็นจริงๆแล้วที่ดินผืนนี้แรงมากคุณก้อยบอกถ้าไม่ได้ผีบ้านผีเรือนมาปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุกก็คงอยู่ไม่ได้ขนาดนี้หรอกต้องย้ายออกไปนานแล้วนะคะโชคดีที่สามีของอน้องสาวเนี่ยเสร็จธุระกลับมาเร็วก็เลยขอลากลับบ้านเลยอยู่ไม่ไหวจริงๆ ทำไมเจ้าน้องสาวตัวดีถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรกนะว่ามีคนช่วยเลี้ยงแล้วจะได้ไม่ต้องมาให้โดนผีหลอกแบบนี้คุณก้อยทิ้งท้ายนะคะในช่วงปิดภาคเรียนปลายเดือนมีนาคม2549คุณศักดิ์ค่ะมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมลุงเชิดนะคะซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งมีบ้านอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานีซึ่งห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ17กิโลเมตร ที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีเส้นทางพาดผ่านทางรถไฟชาวบ้านที่นั่นก็ต้องสัญจรไปมาอยู่เป็นประจำค่ะหลังจากที่มาพักอยู่บ้านลุงเชิดได้เพียง3วันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นคือเมื่อมีขบวนรถไฟพุ่งชนกันกับรถเก๋งในช่วงตอนสายวันหนึ่งพอทราบข่าวนะคะคุณศักด์ก็ได้ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปทำหน้าที่ของคนไทยที่ดีเลยค่ะนั่นก็คือไปมุงค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ คุณลุงก็ไปด้วยนะคะพอไปถึงเนี่ยก็พบกับสภาพรถเก่งที่ถูกขบวนรถไฟสายกรุงเทพหนองคายชนพังยับเยินอยู่ติดกับหัวรถจักรคนขับรถเก่งเป็นชายเคราะห์ร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหน่วยกู้ภัยก็ต้องช่วยกันงัดร่างในที่โชกเลือดนะฮะออกมาจากซากรถเก่งที่กลายเป็นเศษเหล็กคันนั้นด้วยความทุลักทุเลค่ะมาทราบภายหลังว่า เป็นพนักงานเซลแมนขายสินค้าแล้วก็ขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวที่ไม่มีสิ่งกีดกัน้นเป็นสัญญาณเตือนใดๆแล้วเครื่องยนต์มันเกิดขัดข้องแล้วก็ดับลงอย่างกระทันหันกลางรางรถไฟซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับขบวนรถเร็วผ่านมาพอดีก็เลยถูกพุ่งชนอย่างรุนแรงค่ะทำให้เสียชีวิตอย่างน่าอนาจใจก่อนจะมีการชักลากรถเก่งออกจากที่เกิดเหตุนะคะ นับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากค่ะวันเวลาผ่านพ้นไปได้เพียงอาทิตย์เดียวนะคะคุณศัก์เองก็ตั้งใจจะเดินทางกลับบ้านในอีก2วันข้างหน้าก็เลยคิดอยากจะออกไปเที่ยวเตะในตัวเมืองสักครั้งหนึ่งวันนั้นช่วงหัวค่ําคุณศัก์ได้ไปขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ของลุงแล้วก็ขี่ออกไปเที่ยวยังร้านอาหารชื่อดังในตัวจังหวัดเพียงคนเดียวแล้วก็นั่งดื่มกินที่ร้านจนเกือบห้าทุ่มค่ะก็เลยเดินทางกลับโดยขี่รถมาตามถนนลาดยาง เดินทางามาในเส้นทางเดิมเหมือนตอนขาไปจนขี่มาถึงปากทางแยกเข้าหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากแยกไฟแยกไปประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยนะคะโดยต้องผ่านเส้นทางตัดผ่านข้ามทางรถไฟโดยขณะที่คุณศักขี่รถมาจนจะถึงบริเวณถนนที่มีรางรถไฟตัดผ่านเหลืออีกแค่20เมตรเห็นจะได้ก็บังเอิญค่ะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาเนี่ยเกิดเครื่องรวนแล้วก็กระตุก 2- อาครั้ง ค้ายกับว่าหัวเทียนมันจะบอดยังไงยังงั้นก่อนที่รถจะดับลงพร้อมกับแสงไฟหน้ารถที่สาดส่องก็ลอยดับวูบลงเช่นกันตอนนั้นก็ดูบรรยากาศว่าจะเงียบเชียบแล้วก็วังเวงชอบโกนค่ะไม่มีรถราวิ่งผ่านมาให้เห็นเลยสักคันเดียวคิดว่าคงจะดึกมากแล้วประกอบกับเส้นทางนั้นค่อนข้างเปลี่ยวด้วยยังดีนะคะที่มีพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าที่สาดส่องแสงสีนวลกระจ่างลงมาเบื้องล่างพอให้มองเห็นอะไรได้บ้าง คุณสักบอกผมชะลอรถก่อนจะแตะเบรคหยุดแอ บ, บรถข้างทางก็คิดในใจเอ๊ะหัวเทียนคงจะบอดก็เลยจัดแจงนำกุญแจเอามาไขาที่ใต้เบาะแล้วก็หยิบเอาถุงเครื่องมือออกมาไขาหัวเทียนโดยนั่งยองๆขัดไปขัดมากม้กมๆเงยๆไม่นานก็ได้ยินเสียงคล้ายคนเคาะอะไรดังแว่วมาอยู่บริเวณแถวนั้นก็เลยเหลียวซ้ายแลขวาหาที่มาของเสียงประหลาด ฟังจนแน่ใจแล้วค่ะว่ามันดังแว่วมาจากตรงาทางรถไฟข้างหน้านี้แน่นอนก็เลยพยุงกายลุกขึ้นดูสายตาของคุณศากด์ค่ะไปกระทบเข้ากับร่างร่างหนึ่งขาวโพลนกำลังโน้มตัวลงเคาะรางรถไฟเสียงดังแปร่งแปงแปร ง, ปร ง, ปรงติดต่อกัน ก็เอะใจค่ะว่าเอ๊ดึกดื่นป่านนี้ใครน่ามาทำพี่เรนเคาะเล่นอยู่ได้ก็เลยผละจากตัวรถแล้วก็ค่อยๆก้าวเท้าเดินเข้าไปดูว่าร่างที่เห็นต่อหน้านันเนี่ยทำอะไรครั้นพอเดินไปถึงอย่างช้าๆนะคะสายตาก็จ้องมองร่างนั้นอย่างไม่กระพริบค่ะ เหลืออีก5เมตรเท่านั้นทันใดเขาก็ต้องสะดุ้งตกตะลึงหยุดชะงักเท้าอยู่กับที่ขวัญผวาจนขนลุกอย่างอัตโนมัติเมื่อมองไปเห็นร่างของชายเบื้องหน้าที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดที่เปรอะไปทั้งตัวก่อนร่างของชายนั้นจะหยุดทุบรางรถไฟแล้วก็ยืนขึ้นหันหน้ามาทางคุณสักคุณสักบอกผมเห็นก็จาได้ทันทีเลยครับว่าร่างนั้นเนี่ยเป็นร่างเดียวกันกับผู้ชายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รถไฟพุ่งชนรถเก่งเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้สักพักร่างนั้นก็หันหลังเดินไปตามรางรถไฟเรื่อยๆห่างออกไปห่างออกไปแล้วก็เลือนหายไปกับความมืดสลัวในยามราตรีการนั้นเขาก็ได้แต่ยืนตกตะลึงอยู่ก่อนจะตั้งสติกลับมาก็เลยรีบวิ่งเพ่นนีแบบลืมตัวทิ้งแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดตายอยู่ข้างถนน ข้างทางรถไฟเนี่ยนะคะแล้วก็มุ่งตรงไปยังหมู่บ้านด้วยอาการขวัญกระเจิดกระเจิงอย่างหนักโดยที่ไม่ได้กลัวเลยว่าลุงจะดุหรือว่าจะอะไรยังไงคือไปบอกลุงแล้วค่อยให้ลุงกลับมาเอาก็แล้วกันคุณศักบอกมานะคะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะชื่นชอบแล้วก็เป็นกำลังใจให้บีด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช anel พระเจอผีด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ